เมืองไคเป็นเมืองพุทธศาสนามีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดแม้ในรัฐธรรมนูญของประเทศจะไม่ได้ประกาศไว้แต่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่อดีตกาลและที่สำคัญศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย พุทธศาสนาพบว่ามีมาก่อนที่บรรพบุรุษของไทยจะก่อสร้าง ให้เรามีพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของความ หรือพระครูสมเด็จพระ 400 ปีมาแล้วมาแล้วที่สาธุชน เพื่อเป็นวิทยฐานสืบสารตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ของ เมื่อพวกพ่อค้าวานิชชาวต่างชาติเดินพาเข้ามาค้าขายในอ่าวแห่ง ของสมเด็จเจ้าพระครูตามประวัติเมื่อก่อนเป็นบุคคล ที่สมเด็จเจ้าพระครูเป็นเด็กวัดแต่เป็นสามเณรเป็นเด็กศึกษา เมื่อประมาณ 400 กว่าปีที่แล้วที่เมืองสทิงเป็นที่ก่อกําเนิดของหลวงปู่ อ่ามาสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพบูชา เมื่อนางจันทร์ได้ให้กําเนิดบุตรชายได้ไม่กี่วันนาง ที่เพลของลูกน้อยๆนางก็พบว่าลูกน้อยไม่ได้ คือนางจะได้ให้หนุ่มลูกเมื่องูใหญ่จากไปแล้วนางและเพื่อนบ้านพากันเข้าไปดูพวกเพื่อนบ้านต่าง ในเวลาต่อมาเวลาต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาเล่าและหลังจากนั้นได้มาศึกษาธรรมต่อที่วัดศรีหยัง ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมด้วยความเอาใจใส่อุตสาหะทั้ง